พระธรรมเทศนากันนี้ท่านพระอาจารย์มหาบัวยานะสัมปนโนแสดงโปรดคณ ะ, ะคุณหมออวยที่มาจากกรุงเทพเมื่อวันที่3เมษายนพศ2 5 0 8ณวัดปา บ, บ้านตาจาังหวัดอุดรธานีในวันนี้โดยมีการบริษาเรื่องงานประชเกี่รงหนักไปทางด้าน การมาให้ทำการรวมคิดกับาการคิดมาง่ายๆเป็นเหมือนกับเส้นคิดทางเดินผู้มาต่อที่มาจเป็นเส้นเดียวกับการเดินทางตามเส้นคิด ดูผีเช็นพิสได้แต่พ่อเขาทำที่ตรงที่สอมาได้ไหเป็นเช่นเดียวกับเรือเราจะท่ามหาสมุทรทะเลผีเรือเป็นสำคัญเรือในกระถามที่นี้มาที่หนึ่งางนี้หน่งเอย่างยี่นงคือนบุรหลักางกับที่วิ่งในที่จุดัดเป็นความําเป็นอย่างยนึ่ง กาเรื อ, อาาการขเรือคันกรบเหตุกามอันใดในเวลาลเดินเรือตักลงยึดเรือเป็นหลักับข้อเรือตักลงให้เป็นหน้าผีของเรือเราเป็นที่อาศัยในตรงนี้ คือปฏิบัติำยังไงกระหน่ำผีหลักถ้าทำยังไงเป็นหลักสำคัญที่จะดังเลยในภาคที่แม่จะรื้ตลาดคนมน้านอกเหนือถ้าทำยังไงในทา ง, ทา ง, งาหญิงแกล้งหลักทำนังไงทำยังไงก็ทำดยอ น, ใ น, ใ น, ทนะทะีกสี้นห้าสิบแบบสิบสิบสิบห้ายี่สิบห้นเป็นปัญมาตรงนี้ 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10. เพืนอน่อทำการก้าวเดินไปทางไปทางในขอบเิดของขวัญที่มีเยอะแยะแต่ว่าคำว่าวินหยเป็นของจำเป็นความคันทางตัวสาผู้รักษาทิ้นห้างในเวลาไรก็ถีอว่าเวลานั้นเป็นเวลาจำเป็น ่องเราที่รักษาศที่รักษาศิลปต่รที่รักษาคิลป์จิตจีนทั้งร่างที่เกิดก็ที่ศิลประเทือนหนังมัน เ, มเป็นความตั้งใจทั้งแต่ไม่ล่วงเกินเมื่อนเรื่องเกินแล้วใจก็เยียเยืนเราจะอบรมทางน่าสีตใจก็ไม่มีความเกิดล่านไม่เป็นอารมณ์ ก็เกิดจากความติดตข้างควรก็จะมีติดก็มีความเมื่อยยืนข้างหลังไปงอการอดลมติดหายใจไปตัวความตระหนี้เรื่องตนการมีลำบากอีู่บ้างเพราะการติดอาเป็นต้นในงานงานทางโลก การตั้งทำยากมีความยงกวเหมือนกันถ้าเราไม่ถือแต่ถึงอย่างไรก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามละลบากนั่งกางขึ้นแล้นั่งภาวนาดูกำเนลมหายใจค่อยอเป็นอารมณ์ของหรือนทโคทำงูมีสองโคบนใจเลนี้เป็นอารมขอ หายใจมีความรู้สึกอยู่กับอารมณ์ที่เป็นน้ห า, า, าหนักกำบังใจนั้นเป็นน้ำหนักกำบั ก, กใจไปจะค่อยมีความรู้สึกเด่นขึ้นกัุดนั้นเพจุดลมหาใจรู้จุดทุกขอ์ออาุอื่ไจะมีความเยือกเย็นสบายความส ที่เกิดขึ้นจากความเจ็บหนักไปนี้จะไม่เหมือนความสึกอื่นใดที่เราเคยผ่านมามาม่อเปนเวลาัหนให้ไดยสัมผัสความสุขที่เกิดขึ้นจากความเห็เข้าไปแล้วผู้นั้นจะเป็นเหตุให้สดุดใจทันทีและให้มีความพอพอใจที่จะพยายามรักษาความเจหนกนั้น และพยายามที่จะส่งเสริมความสงบสุขนั้นให้มีพลังยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรเพราะเป็นความสุดที่แตกต่างยิ่งกว่าความสุขดใดๆที่เคยผ่านทาไม่ว่าความสุขจะผาน ม, มาทางตาเป็นอะไรหรือสิ่งที่มากเพืเ่อเพิ่มเป็นความสุด่แต่ความสุขเพืเพิ่นั่นก็เป็นสื่อที่จะให้เกิความสุขไดเหมือนกัน ความสุขที่เกิดขึ้นทางเส้นท้งสมุนธ์ทางร่างทางกายเป็นสิ่งที่ให้หรือว่าความที่สรงเมื่อไรไม่รับผิดต่ความสุดที่เกิดขึ้ น, น, น, นจบกใจที่มีความเฉลียเมื่อไม่ค่อยจะ น, นึะ่งองสุขนอกจากจะเป็นอยู่ให้เรามีความเผลอใจดูดดี่มดัเตไปให้มากยิ่งขึ้นเท่านั้น เพราะฉะนั้น ท, าน ท, นท่านผู้มีจิตท่นสงบแล้วจึงเป็นทุนหนักแน่นต่อความภาความเพียรเพื่อบุญเพื่ออรด้วยข้อวัตปฏิบัติที่ตนปฏิบัติธรรมโดยธรรมไม่ทอไม่เลอะเทอะคำว่าความสงบของใจมันจะมีเป็นขั้นขั้นคือละเอียดแค่แต่เพียงนั้นความสงบ สุดท้งใจความสงบท้องใจมีความละเอียดแค่เท่าไรความสุดก็ละเอียดต่างๆครัมีผูดถึงท้องใจกานสงบใจทาไมถึงไม่สงบข้อนี้เราก่อนขาดเยคันถ้ามีสิ่งก่อควรอยู่ตลอดเวลาทั้งรูปก็กอควรทํ้ามาทางตาเดินตะขาบเขไปถึงใจเลียงก่อผานามาทางหูแลวเข้าประเทือนถึงใจ กรมูล้นใจกินน้เทเพื่อนท้องถังก็นะท้องถังที่มีแยกกก็ถังเข้าไปถึงใจใครเป็นพึ่เป็นผู้รับผิดชอบด่แลทุกอย่างจึงความกับเพื่อนตัวเองอยู่ตลอดเวลาขาความสุขหนึ่งรับรู้รับเห็นรักพิารณารักจุกรับทึก เข้าสุดเยอะใจ่รักคางที่ความเพลินดี อ, อย่งนั้นตลอดเวลามีทาใสอย่างนี้เอาใส่สิ่ทสยย ง, สงที่เพื่อนของเขอยู่โดยลำพังตนเองมาของเอาใส่อารมณ์แต่เป็นอารมณ์ลลดียารมณ์ลลเพื่อนกันเป็นเหตให้คนจะตามเหมือนกันอย่างนั้นก็หมาเห็นความสุขของใครที่แพื่อนดนี่ยเป็นอย่างไรเพราะความสุขเหล่านี้เกิดขึ้น เพื่อการอาศัยคร่บมอาศัยหยุดอาัยเสืออาศัยติย่ง อ, ย อ, ยอัยด้วยไม่เป็นความผิดที่เป็นตัวที่เกิดที่แทแต่ความผิดที่เกิดที่การการอดลมนั้นจะอาศัยอารมณ์คือทำแต่อารมณ์นี้เรเป็นไปเพื่อให้ผิดเป็นตัวของตัวมีความสงบเยือกเย็ น, านกายก็เบา ก็ราะบบาทในขณะจิตที่เรืองขดจริง็และกายกัปใจจะแยกจากธรรมสนบัตนหนึ่งขัตนที่สองกายของเราท้างล่างทินนั่งภาวนาอยู่นั่นจะไม่กรากวรามีเลยจะเหลือแต่ความรู้ที่มีความเฉลเด่นเด่นข้ามอยู่ทุกข์่งทุกขนึขง นั่งเป็นความติดที่แตกต่างกันตายเนี่ยจะมีอยู่ก็ไม่ปากฏขณะที่ตายไม่ปรากฏนั่นคือธนาของตายก็ไม่มีเลยเป็่ความริจารณาบากเกี่ยวกับการนั่งงานหรือไม่มาไม่ปรากฏเพราะความสำคัญของตายได้ผ่อแคลายมาต่อแล้วถ้าไะสิดติดก็ทรงตัวอยู่ได้ได้ความสงบเยียกเย็ี่ เป็นความสงบคันจิกจากคันต์อ่อน่วความสงบนี้ได้ได้เกิดขึ้นมือขึ้นบ่อยบอกว่าง้ามีหน้าจิดจะมีจิละหน้าที่ําร ง, งานจะต้องจัดต้องทำงานงหน้าที่ทั้งเราแต่ความสงบขอ ง, งใจจะมีตะตะเป็นประกำอยู่แบเป็นพื้นฐาน พอกาลังเข้ามาพิจเมื่อะไรก็ปรากฏความรู้นี้เด่นอยู่เฉพาะตัวแม้จะอาศัยร่างกายอยู่ก็เป็นความรู้ดี่ฉพาะตัวอเอื้นเดียวกับเราอยู่ในบ้านแม้ เ, เราจะอยู่ในบ้านในห้องเรียนก็ตามแต่ห้องเรียนกับเรานนั้นไม่ใช่อันเดียวเราเป็นอันนึ่นห้องเรียนนั่นเป็นอันมนึนมเรกี่ยวนับาเขียนร่างการนี้กัน ตาไม่เป็นเหมือนกับบ้านกับเดือนหรืห้องเรือนอะไรเยอะใจนี้เป็นเหมือนกับคนที่อยู่ในห้องเองรือนดูดูเองที่แรกจะแยกกันไหมล่ะเรือนกับรายค่ายเป็นอันเดียวกันกายกับใจมีค่าเป็นลันเดียวเพราะใจไม่มีรักเป็นตัวของตัวแต่เมือใจเป็นรักความระมนกลงจนค่อยๆกายเข้ามาเป็นตัวที่เจอแล้วย่อมทราบว่านี่คือตัวอะไรอาจิตใจ นี่คือส่วนของร่านก า, ายที่อาศัยเข้าอยู่รูนะ้ได้ครับเพราะอำ น, นาจของความสงบของใจนอกจากความสงบความเยนม็นไทจความนี้มากเราจ ะ, จะทําหน้าที่การงานอะไรก็ไม่ทำการงานอยงนั้นให้เสียเพราะฉะนั้นผู้บําเพ็ญธรรมะจึงไม่ทํางานอะไรให้เสียนอกจากธรรมะที่บําเพ็ญภายในใจ ละใจเป็นหลักของความนิยมคือกนัดเสน่ห ก, การงานทั้งหลายให้มีความกระดื อ, อก์รอบลูปเป็นกําลางของมานนั้นๆแต่ฉะนั้นไม่มีทางที่หาเพราะธรรมะไม่เคยเป็นพระผิดต่อเลกทั้งแผ่นฐานนานาชาี่มีธรรมะจะจำใจว่าไม่ว่าจะทํางานทังโลกทางครั้งไม่ว่ากจะตบหมึกตบเพื่อนไม่ว่าจะตอนน้อยนานั้นยันม่ใส่มีความ ภาพมีเสียคนมีกระดีไปเลยมีสุขุขันธงความสงดพอจะภาพกันหนานะการจัดใจนี่เยอะจากของเปนฉิอ่ะถึงข่านปัญญาปัญญายังเป็นสิ่งที่ละเอียดข้าไปอีกที่ทำมาสงบนี้เนแต่เกียงว่าระงับกัน ให้เนั้นแต่ปัญญานั้นขอถนดถอนรีลื้นอ่ะกลิ่นอะไรที่เกิดแสงอยู่ภายในใขอด ถ, ถอ น, ถ น, น อ, ออกสัปัญญานาะออกออกใจได้เดินขกันอะรที่เป็นมาทนทั้งนอนนับตั้งแต่วันเกิดมาถึงวันนี้ได้กี่วันนับเป็นนับเป็นเดือนได้กี่เดือนนับเป็นปีได้กี่ปี สภาพของร่องทายนี้คงที่อยู่นี่แคเปลี่ยนแปลงมาเป็นอันหนึ่งแล้วก็เป็นอันนอกจากนี้ไปจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้หรือไม่ความเป็นมาของร่างกายอย่างไรความเป็นอยู่ของร่างกายก็ต้องเปลี่ยนเป็นังที่ความเป็นมาของร่างกายเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความเป็นอยู่ของร่างกายก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอความเป็นไปของร่างกายนี้ก็จะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นใปเป็นอันหนึ่ง่นั้นทุกสิ่งทุกอย่าง ในร่างกายงเรามี่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่เคยมีการไหนก็หยุดยั้งตัวเองไว้ไม่เปลี่ยนแปลงแม้กระทนแต่เนส่วนที่ละเอียดเราจึงไม่สามารจะทาพเลยว่าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองขงเขาอย่างไรบ้างเมื่อแต่ปัญญาไม่พิจารณาเข้าไปย่อมเห็นผัรู้ทันเม่รู้ทันแลกหาทางออกทางน ความมาทางออกในสถานทีน่หมาถึงความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นอุปทางความเป็นอุปทานนี้เป็นเหมือนกับอ่าเครื่องกด ถ, ถ่วงจิตใจให้บีบยึดไปในทางความลำบากนี่เป็นทุกข์ถอนลมาบ้าเดือดมากทั้งตัวท่ันใจวว่าอนิจจังทุกขังอนัตตา เราได้ยินไม่เห็นในแบบในคันภรีแต่ใจของเราปัญญาของเราไม่เห็นเรื่องของเราอานิกาังคือของ้าตานั้นคัมภีร์มาเหงเรื่องของเราทำไนแต่เราไม่เห็นเรื่องของเราทำไม่เปิดที่นี่เรื่องผลที่จะขากฏให้เป็นความสุขสบายความเนุกที่เรียมมันก็ไม่คขาดกดหรือมัวเราไปคิดแต่งานต่าง อย น, นิจก็เห็นภาพกับใจกับกทุกครังก็เห็นภาพประกากับใจบอรนาปา น, นึาี่เป็นสิ่งที่ควรจะสวางเ้วก็เห็นภาพกับกาตกับใจนกเ่ควรนื้อเต่างับเพราะปัญญาเป็นผ่าขอถอน ท, ที่เลยอครื่อเสียวกัจิตใจท ข, ข, ขอถอนนั่น คือลือ้อถอนกลับมาปิดเข้ามาเป็นลำนดับดีกับขั่วเมื่อคร่กับเป็นวอพดขูมหรือเป็นสภาพอันที่ให้จิตเข้าไปเกี่ยวข้องยึดหรือมาเป็นอรมณ์แห่งความดีใจเคี้ยวใจและเป็นทุกขึ้นมาเหนือปัญญาพิจารณาเห็นท่าแวก่อนลื้อถอนจากสิ่งนั่นเข้ามาเหมาะฉะั้นกำเกังกอดพระ ขึ้นเราแบบปืนมีอะไรก็แล้วแต่บาบน้ำอะไรมีคืนประมาณสักสิบท่อนเราพึ่งหนึ่งว่าท่อนหนแล้วเดินไปอีกท่อนสองท่ึ่งนึงอีกท่อนเดินไปสามท่าก็ขึ่งอะยังอีกท่อนพึ่งจะเป็นหนัก้นเราก็ผู้แบบคือจรู้สึกแบบเบาเบาลงเบาจนพึ่งหนึ่งก็หมดให้เีเหลือบนหมานั่งแล้วก็มา เรื่องที่จะมากรมชาติหน่อยครับคอถอนกลิ่ที่ฝั ง, นงจนอยู่ภายในใจให้หมดไปมดไปภรก็หมดไปมดไ ป, ดไปองารปฏิยาทา ง, ทา ง, างข้งาวสารแผทางเลือดปอของความเกลือทั้งขัดทั้ ง, งลปล่อยเลือัเรายได้ยินมาก็จะมาเห็นแับนี้ไปข้งางหน้า ยาอา ย, ายุช้าไม่คืออะไรัืมยาอายุทัาที่ใดอืมีาอายกช้าที่ใดไดกถ้าท้อมกันอีกเนี่ยท้อมได้อีกหาอาขุช้าเชื่ออันเป็นเหตุที่ให้เกิดเกิดป่ดดดตายในปากซอ ย, น, ยนั่นงตายในนั่งนความสมมติแต่สมมติคือมาใหม่มากเป็นใจที่บริสุทธิ์ตายที่บริสุทธิ์นี้ ข้าวได้แต่ทั้งด้านวัตถุและอารมณ์แต่ไม่ได้ติดเป็นสมมรรไม่หมดดีก็ฟังได้เชื่อก็ฟังได้เขาบิด่าลากสาวก็ฟังได้ดาาาขเขาคมเคยก็ได้คนก็ฟังได้แต่ไม่ติดเพราะจิตคือ บ, บริสุทธิ์นั้นเป็นสิตที่พอตเลยไม่จําเป็นจะต้องหาอะไรมาเพิ่มเติมความเพิ่มเติมที่ดีก็เพิ่มเติมเั่วก็เพิ่มเติความสุ่ความทุกข์ เกิดขึ้นดับไปแหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมสมรรถาพนั่งหมดไม่มีสิ่ในเพิเติมพูดถึงขั้นขอดีบริสุิ์เต็มที่ท่านพระพุทธเจ้าทันที่บอกสอนมาเรื่ทยงท่ารู้ถึงความพอดีของใจพอตัวจะอะไรมาเพิมอีกเสมนับปีนั้นปีก่อนสิบครั้งทุกอื่นยิ่งแต่ความนั้นหม่เพ่มเติมทุกทน ให้ายางทำใจทองเรมีขางเหนียเทียบเทียนหือเยอะดีที่เราเกิดมาเพื่องานี้เพื่กิดเพื่ารนาซร่งเป็นฝากร่างหนาที่แคบเป็นเพราะโดยหลักคุ้มท่าก้วยตารโน้มการยัดกากบันกาอยากเห็นเกี่ยวกับความอยากของเราเรื่องทวามอยากนี้เนี่ยจะเกิดเหนียหนาของสิ่งใดๆจะต้องคิดมากถึงนั้นไป ควอยากเอาเป็นหัวหน้าั้งใจเรเราไม่ได้หนึ่งทุนความอยากนั้นหละมันมีผลเสียอะไรเกิดขึ้นบ้ามันจะคล่อยตามโดยตัวเดียวแล้วก็ทำอะไรให้เสียได้เหมือนกันแล้วก็หันเ้ามาทำเนาะตื่ดตื่นอะแบบนีมันเหมือนกับรถไม่มีน้ามันแรงผลิตผนใจไม่อยากทำค้องคือ งานอันนี้เป็นงานขึ้นเอ๋อขนาดไหนไม่มีงานขึ้นไหนที่จะเอิอขึ้นทำอารมณ์ผิดใจให้ข้าวสมุนไพรมาเรื่งเป็นทำรังไยตัวหรือเป็นสิ่งที่รักหรือแต่มื่อทำให้ผิดขั้งเรายังมีอยู่กับในนั่นก็ทําให้ซึมถ้าจะว่าการมันเป็นทำนั่นจะทําเพื่อผู้ใดก็ไม่ได้นี่จะทําเพื่อใครก็ไค่ได้นี่เป็นหนึ่งว่าไม่ไดทําเพื่อตัวเองแต่จึงๆแล้วท ทำขาดดันในภาพมันผิดล่าดไปเราถือว่านั่นเป็นจิตจำเป็นที่ควรจะทำทีรจะเป็นไปกนเากาทำงนจิตของผู้ไม่อบรมธรมนั้นจึงต้องเอียงเียงิ้น้อไปตามสิงแต่นั่นสม่ำยัยันจนไ่นยกตัวอย่างก็ใช่เส้นเคยดูหนังนีเคยดูหนังเป็นประจำคอยนิ้ไผ่าดูเพื่อความเพ่เพลิน ดูได้มันนึงทำาาวนาไม่ได้ไปดูไม่ไม่จะมาใครจะมาฝุ่นเราหนิดหน่อยหน่อยเป็นโสดเคียงทันทีนะหนัเพราะอำนาจมันแรงโดยที่จะทำอำนาของความอยากนี่มีความแรงขึ้นเป็นหนักเราเห็นไหมเพราะเราเสริมทางที่เราคล้อยตามนั้นเจริเป็นความอะรกินของความอยากมีความอยากเป็นประการนี้ มันก็ถือว่าเป็นงานทั้งหลายที่กินกันจะดูมาแล้วู้จิตมีความเพลิดเพลินในจิตในใจแล้วเลื่อเว ล, เล า, าก็่แสดงค้อยังไงเอานามาเป็นอารมณ์ของใจเราเป็นต่อเป็นเครื่อไปได้อีกเครื่ อ, นนน อ, าา อ, อกันหนายจิตไม่ยากเลยหาที่กับได้หมดแต่การจัทั้งนี้เป็นการการเทียบกิ สิ่งอื่นๆก็เหมือนกันการจากทั้นี้ม่นหมายทั้งเป็นความเชื่อหมายโดยการเดียวเราจะเพียนถ้าตีจ่ายสิ่งอย่างนั้นก็ได้ถ้าเัาผู้มีปัญญาแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาน้มีแต่ทางให้เพียเพียนครับควบคองชื่อแต่เพียใจงองค์สาคัญเพียมิจฉา้คัญมากเพราะหลักมิจฉาเป็นหลักสำคัญธรรมนกาเป็นสอนให้จึกหักดักแรงกดอ้ เดือดอันตรา้มหนีเมื่อเราต่อให้เป็นประการปืนใสนานทำงานใสยังนั่งอยูให่โตขึ้นและตัดแตไงหายไปยากยานี้ก็ไม่ใ้ทีนี้ก็ต้องปิดใจใหเพื่อทำให้กนดสั้ง่อที่จะมาเป็นประโยชน์สำหรไรทีนี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์รียนหน้ัขนาขนาดที่ ถ้าเราเป็นอยู่ น, น, ยนั่นหมียถึงขหาไม่ยากนโลกทั้งโลกจะเป็นเหมือนเรามีแต่มีเงินง่ า, งายมีเพราบเป็นงานความดีที่เราได้สะสสิ่งที่เขาขาดทำน้อยไม่ได้ ม, มดีแต่มีง่ายแต่ขาดง่ายได้ทั้งห่ายภูมิของมนุษย์นี่ผมรู้สึกว่าเป็นภูมิที่เกิดได้ยากขาดทั้งเกิดได้ง่ายและมีมากมายแต่ภูมินี้เป็นภูมิของเรา ย่งเป็นหลักของภาษาศาสนาที่เป็นธรรมมันเกิดด้วยแล้วต้หาผู้ที่สนใจต้หานว่าที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อทํามันจะเกิดนั่นก็หาในว่าแต่เราก็จะเป็นผู้สนใจเข้ากับทางของ้ติเรื่อั้นมาระดับจิตใจทั้งคนให้เป็นจิตใจที่มีทางข้างหนาผีด้วยผีไม่ทำด้วยสัตย์นั่งยืนแต่ในสิ่งที่เห็นว่าไม่ควร่าเราไม่เสียทีที่เกิดก็นนี้ เราเกิดในครั้งนี้เราก็เห็นแล้วว่าเรามีอำนาจเหนือใครเป็นภาพเป็นแบบความรู้ความตลาดแลว้วก็พาตัวของเรามีเป็นทุนถึงห น, น, นึ่นงไปการข้างหน้าเรื่องคบเรื่องฆ่าเรืองมีอยู่กราบใบสึ่งที่อาศัยก็จะต้องมีสิ่งที่อาศัยจะต้องมีนะ จะต้องอาศัยราจะด้องสร้างคาม ท, ทพื่อนบอบรมจิตใจของเรไว้ให้ดีให้เสียดีใจนี่ต้องมีอาหารประเภทหนึ่งกายมีอาหารประเภทหนึ่งเปล่ยนใจนี้เราจะทำมาอยายามควบลงเรามุขภาวน า, มาไม่เด็กเสียเสียสะพานอเลยเราทำได้ที่เวลาจะนั่งอยู่จะทำนั่งนอนอยู่จะทำนั พุทิศาสตร์จิตใจงเรามีความเยือมเยินออกมาเป็นหลักฐานภายใจตัวเรนนี่เป็นขอให้ความยากอะไรนะการฝืนเพื่อดีนั่งได้ผิดจากหลักธรรมของพร็พุทธศาสนาความเยือเยินเดมาเปมากเหลือพุทธิศาเป็นต้นจากพุทเป็นศาสตร์พาทเราขอให้ความฝืนควาเคยเป็นมาของพระองค์ท่านเราที่เป็นพุทธะดีจัน ที่พุทธายกของเา็นอ่างวรจะพยายามฝืนเปลือกเปลือกให้เ็นไ ป, ไปตามประการทางฝืนนั่นเนี่ยธรรมดาถ้าฝนาาเ่นื่อี่เหลื่อเขาไม่ชอบการวามฝืนทางธมะธรรมเนีทางธะแต่ถ้าร้อยความขละวันย่างพันเวลาเวลาไม่ตเป็นที่ยินดีตลอดเวลาทางที่ฝืิคือถอยทอสิ่งที่อทอองั้น สิ่งที่เขาชอบอนั่นนะครัเป็ น, นทุกขห้แขยแรงแต่สิ่งที่เราชอ บ, ขอชอบอเข า, เ า, า, าไม่ชอบเนี่ยเขาเคียรแข็ันใจของเราจะทำใจของเราให้ไม่ชอบผิดเหมือนกันมึกตึบโคทำโมทำโคนี่เหนื่อลมึนยากําบากจนึกถึงภาพต่างสิ่งที่เราเคยทำมาเป็นงาน้มันมึนมง่ายมันคล่องตากับขูดขุดได้ง่ายทาก็ทำได้ง่า ย, ายคิดก็คิดได้ง่าย เมื่อในอดีม่นถือเป็นธรรมะนี่ถึงตัวไหนมันก็ออกมาถึงคำไหนมีเพียงแต่การนำมา้อมศึกมันคงจะไม่ค่อย เ, เสี ย, วยาาเวลารมเพราะความเคยินคามเด็นจิตใจความอดทนต่างจิลอดเวลาเวลาจิตสว่าเราอยู่ที่นี่อยู่ในโลกนี้เรากำลัองอาศัยความจิดถึงเป็นอยู่างน้ถ้ามีเัีงแต่ความรูกความยนนิ่อยวดอยู่ตลอดเวลา ใคไล่แบบกระจายเสือกในโกนี้าเป็นเหมือนดิ้งถ่านเติมมีความมีสุทมีความสะดวกสบายนั่นเ่งความสิทธความสะดวกสบายจากพระอานาจของความที่เราทำมาแล้วเราพยายามต่อเติมเสริมทำให้ที่ดีกั่านี้ใ้มากเป็นไทยวันเราจะมีพบมีชาติติดต่อไปเราก็ต้องเลยรับความสิทความเดินเติมหมด ทำงานความดีเราจะเป็นท้งานทั้งนั้นเพราะนายได้สั่งนป็นในทำงรน่องจีจากเราไป่นี่ยมเสิ่งของต่าเป็นตามแลว่าความขาดทำทำยังจะเลื่นดีก็ต้องเป็นเรื่องให้เราทาเพื่อเป็นเรื่องให้เราทำเองความสุขความทุกข์ยังเป็นขางใครก็ต้องเป็นของเามื่อเราเกลียดความทุกข์ชอบความสุขแล้วเราก็พยายามฝืนใจ ความดีก็เป็นความสุขความเจริญก็ะะดักจิตใจข้างในมันคืองานทําดีเรื่ประกษ์กับใจเราเรื่องยึดจิตใจจะนีวะเวลายึดยังอยู่ต่อไปยึดยาวนานเท่าไรก็ไม่เดือดร้อนยึดตายวันนี้วันหน้าก็ไม่เดื น, นถ้าเราเรียนพร้อมแล้วเพื่อหครือภหน้ายึือ่อวันหน้า เราก็ไม่เแต่ถ้าอะไรแล้วก็ไม่มีเนี่ย้อนเหมือนกันยกตัวอย่างค่อ ย, ยขึ้นในบ้านในเรือนให้เรามีอะไราบบขาดเหนบกห้องหรบ้า ง, างีเรายางังรู้สึกร้อนา่างต้องรีบเดินส้งสายหามางานควดีันัอยาถึงบ้างใจเราเรามีความเอกเป็นที่ประยัการทาน่น นัความเพียรเป็นไปนนมีามผนต์นั็นเพียรก็ผลผลไปเป็นคามจุดเพีนเป็นผลที่อัจรรย์ด้วยโยบ า, า, ยบายงใจสเพราะเวลานาั้นจิตไม่ขงเกียวไรงภาระลงในขณะนั้นกระบายอยู่ดดเดือเดือดรวทางเดไม่มีอะไรมากดขึสงบ อยู่เสมอหนีเหมือนเดิมเกินศาสนาคือพื่อแต่ศาสนาสอนค น, นให้เห็นผลบุญคุณทำในปฏิบตัตเพราะทำเราก็ทำอยู่ในปติบัตผลก็ผลไปรู้ในสิ่งที่เกิดเหลือจากนี้ไปรู้วันหน้าจบผนที่จกิดาณะก็ตองรู้ในวันนี้รู้ในชาตีไพศาะนจ้าพระพิฆาตจะสอนโลกในวน ทา่านกดรู้แล้วทา่านยังไม่รู้ว่ทาท่านกอรู้เป็นถึงข้ร า, า ร, รนาชกรแล้วยังไม่ไม่ฆ้าพระองค์ว่าไปเรื่อสอนบดยการขนทอาหารเกษตรมี็นทั้งแบบ ท, ที่เกิดขึ้นเฉพาะสาพของเหรือราาเพาะภาคไทยเลยี้็รู้ในทางห า, าว่าคิดแบบูสามข้รกขรู้ในปัจจุบันการดำเนิทางเหมือนส่งเสริม ด, ม ด, ม ด, มดการเงนิน ลุกข kind of ึ้นก่อนนะเพื